ทรงประชุมสงฆ์บรรยัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h สักยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเขาไม่ได้ปรนนธาไว้ก่อนแต่เธอเข้าไปหาช่างหูของเครือหัดแล้วกําหนดจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันท h สักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรถามว่า อุปนันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติท่านพระอุปนันทะสักยบุตรทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจา้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตําหนิว่าโมฆบุรุษครหัตผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของผู้ไม่ใช่ญาติเธอนั้นซึ่งเขาไม่ได้ปรนรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างโหของกระหัตผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดจีวรเล่า